วันคืนมีค่าการเวลามีคุณตางที่พูดไปแล้วนั้นมีสลับผู้ขวนขวายตั้งอกตั้งใจผู้จยทํทำที่เพื่อให้กับตัวเองวันคืนไม่มีค่าการเวลาไม่มีคุณสลหรับคนที่ไม่เห็นบุญเห็นคุณ สำหรับคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ล่วงไปวันวันไม่อยากจะประกอบสาระประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับตัวเองไม่รู้จักคาว่าสาระประโยชน์ด้วยซำไปไม่มีความการตั้งอกตั้งใจที่จะควรขวายบำเพ็นอะไรใส่ตัวเองปล่อยล่วงให้ล่วงไปช่้นชหายใจฟอดฟอทิ้งไปชื้นชอยู่แบบคนซื่อ มีคุณค่าอะไรบางคนนอกจากไม่สแสวงหาสาระอะไรให้เกิดในใจของตัวเองแล้วยิ่งเป็นบุคคลประเภทไม่รู้จักสแสวงหาสาระประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยแล้วไปเกะกระรานทำความวุ่นวายให้ใหเดือดร้อนในหมู่เพื่อนในพวกพ้องในสังคมก็เรียก ว, ว่าเป็นคนที่ ทำตนให้เป็นคนรกโลกทำตัวให้เป็นคนรกโลกเป็นพุทธพจน์แน่เลยนี่ก็พพดทธวจะนะมันกันนะทำตัวให้เป็นคนรกโลกเนี่ยทำตัวให้เป็นคนรกโลกอยู่ตรงไหนก็รกที่นั่นแหละแต่อย่าเทียบกับเหมือนวัชพืชที่เขาไม่ต้องการน่ะละ่ะ อยู่ที่ไหนก็เกจการาร้านที่นั่นเจริญที่นั่นแหละเจริญด้วยอานาจของขกิเลสเจริญมันเจริญงอกเงยในหัวใจของคนคนนั้นของใจดวงนั้นไม่มีโอกาสที่จะกิดย้อนมาดูเพื่อแพ้่เพื่อถางเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อถางครกถามพงให้มันโลง่งให้มันเตียนไปยากหัวใจไม่มีแล้วอะไรความโกรธความเกลียด ความอิจฉาทิสยาความพยาบาทความรักเล็กขโมยน้อยมีมือสัน่นมือยาวอยู่นั้นความปิดปิดเบี้ยวเบี้ยวทั้งกอบทั้งโกยทั้งโกงทั้งเกะกะระรานทั้งความรำคาญให้กับสาธุชนคนดีทั้งหลายวุ่นวายเดือดร้อนไปหมดนี่คือคนโรคโลก นอกจากทําวันคือในล่วงไปเปล่าแล้วยังทําตัวให้เป็นคนโรคโลกโรคโกก็คือรกจิตรกใจของตัวเองนั่นแหละแต่การเวลาล่วงไปจะเป็นคุณสำหรับผู้ที่ตั้งใจเพื่อขวนขวายตักตวงเอาคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจหายใจออกเสียดายหายใจเข้าเสียดาย เสียดายล่วงไปปหายใจออกก็ล่วงไปแล้วหายใจเข้าก็ล่วงไปแล้วหายใจออกก็ล่วงไปแล้วนาฬิกานาฬิกาหมุนตอกทอกอกทอกนั่นแหละแต่ละทอกแต่ละทอกนั่นะมันล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไป้เรียกปรับคืนไม่ได้นะสังขารของตัวเราเนี่ยสังขารในกายเราสังขารในใจเรา ต้องมันล่วงไปตามเหมือนกับ น, EN, นาฬิกามันล่วงไปนะต้องต้องมันล่วงไปแล้วเรียกคืนไม่ได <c oughs> ้เวลาเรียกกลับคืนไม่ได้วันคืนล่วงไปสังขารล่วงไปเรียกกลับคืนไม่ได้อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดเรียกกลับคืนไม่ได้คือโอกาสดีโอกาสมี ปล่อยให้โอกาสดีนาะทีทองนั้นล่วงไปล่วงไปเรียกกลับคืนไม่ได้โอกาสดีกับอากาศดีมันเหมือนกันบางคนโอกาสอากาศไม่ดีแต่ทำโอกาสให้ดีนี่คือแตกต่างออกไป โอกาสดีสหรับเราตั้งใจจบบะมาเป่นขวนขวายเพราะโอกาสดีคือโอกาสที่พร้อมกายวายใจใจของเราพร้อมสถานที่พร้อมเวลาพร้อมบรรยากาศพร้อมสะดวกสบายภาวนาทำาุญกาสให้กับตัวเองภาวนาเพราะเสียดาย นาฬิกาหมุนไปทักทักทักทักโอ้ล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วชีวิตสังขารของเราก็าล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไ ป, งไปเดินเข้าไปสู่ความตายทุกวันทุกวันทุกวันมีความตายดักรออยู่ข้างหน้าความตาย ร, ารู้ได้ก็ได้ตามอายุไ ข, ขว่าอาจจะเท่านั้นปีอาจจะเท่านี้ปีแต่ความตายที่เรารู้ไม่ได้ดัก รอหน้าเราอยู่มีแท้ที่จริงก็คือตักตักตักทุกขณะนี่ก็คือความตายล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วแก่เข้าไปแล้วแก่ครับแล้วแก่ครับไแล้วทุกขณนะทุกเวลาเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราไม่นิ่งนอนใจเราไม่ประมาทเราไม่นิ่งนอนใจมันเป็นมันเพ่นโขนควายให้ทานยังม่ยิ่งเขาพยายามตั้งใจให้ทานเข้าไปรักษาศีล ยังไม่ถึงไหนก็ต้องแชร์รักษากข้ไปภาวนาท่องบนสวดมนต์ยังไม่เคยทาเลยยังไม่เคยอะไรเท่าไหร่เลยครับตั้งใจขวนขอยศึกษาแล้วก็ทําโอกาสเพื่อเราถ้าเราอยู่ใฉยเฉยความทุกข์มันไม่เฉยกับเรานะมันห่อหุ้มมันหอบอยู่เอาจิตของเราเอาสังขารของเราไปทุกระยะทุกเวลามันไม่เคยให้โอกาสให้กับเรา สังขารทั้งหลายเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลาสังขารทั้งหลายเปลี่ยนไปตามลักษณะของสังขารค ง, งที่อยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปคงที่อยู่ไม่ได้ทุกขังเข้ามาครอบครองเข้ามาครอบงำทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอันิจังเปลี่ยนไปดีหรือเปลี่ยนไปร้ายเปลี่ยนไปเร็วเลวก็คือเปลี่ยนไปไม่คงที่ไม่อยู่ในสภาพเดิม ฉนั้นท่านจึงให้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพื่อให้ไม่ในิ่งนอนใจไม่ให้ประมาทมัวเมาไม่ให้ติดข้างอยู่กับอารมณ์ที่เราประสบพบเห็นจะเป็นรูปก็ตามเป็นเสียงก็ตามเป็นอะไรก็ตามอะไรอะไรก็ตามทั้งหมดไม่ให้เราตายใจไม่ให้เรานิ่งนอนใจไม่ให้เราประมาทมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นต้องความศึกษาต้องความรู้สักรู้จักทําความเข้าใจ กับมันทุกอย่างทุกเรื่องทุกขณะจิตก็แล้วกันนี่อย่าลืมอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องไม้เครื่องมือสติสัมปชัญญะสติธรรมปัญญาธรรมสติธรรมปัญญาธรรมรู้จักไหมสติในจิตของเราสติมันเกิดมันเกิดจากจิตมันเกิดที่จิตมันเกิดจากจิตเราตั้งใจทำให้มันเกิดก็มี มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันคือมีสติเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันจะนึกวันนี้ปลอดโปร่งดีสติ ด, ดีนี่แต่มันจะดีไม่ต่อเนื่องหรอกถ้าปล่อยมันมีเองเป็นเองยกเว้นแต่ผลอันเกิดขึ้นจากที่เราตั้งอกตั้งใจทาบาเพ็ญมาแล้วในเมื่อเรามไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องพยาพยามทาพยายามทาให้มันต่อเนื่องนั่นจึงให ความเป็นเพียพรภาวนาะยืนก็ต้องสติเดินก็ต้องสตินั่งนอนทําพูดคิดนารงสติตั้งสติทําความรู้ตัวทั่วพร้อมให้ชัดแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะตัวนี้เป็นตัวกีดเป็นตัวกันอกุศลไม่ให้มันมาเกี่ยวข้องกับจิตของเราที่เราตั้งเจิตจํำนองตั้งใจไม่ให้อกุศลมันโผล่ขึ้นมาที่ใจของเราด้วยแล้วมีสติยับ แยกพุทโธพุทโธพุธโธรู้ทั่พร้อมไม่อยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์ของกองทุกข์ขอ ง, ขอ ง, ของตัณหาตัณหามันมาพร้อมกับเอาความทุกข์มาด้วยความทุกข์มันมาพร้อมกับเอาตัณหามาด้วยปั่มดินรอนความทะเยอทะยานความอยากไม่หัวใจของเรา clay. มันอยากไปตาม อ, อำนาจ ข, ของกิเลสมันอยากกับอะไรกับเพลินแต่การนั้นอยากกับอะไรกับเพลินไปนั้น ถ้าเรารู้ทันแล้วมันไม่เพลินมันรู้แล้วมันไม่เพลินดีก็รู้ทันไม่เพลินไม่ดีก็รู้ทันไม่เพลินเพลินจะเป็นนันนันทินะนันทิราคะมันเพลินไปกับความกำหนัดความยินดีนันทิราคะนันทิโทสะนี่เพลินไปกับความโกรธคนที่โกรธจนตาดำตาแดงเขาก็เพลินไปด้วยอำนากของความโกรธเขารู้ตัวไหม ถ้ารู้ตัวเขาก็จะหยุดแต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวคือทำไปด้วยอำนาจของความเพลินนันที่ราคะสะกตากํากับการประกอบกันด้วยอำนาจของความหลงนั่นแหะตัณหาราคาในหัวใจของเราครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ทิ้งหลักให้ภาวนาจับจิตให้มันมาอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันเพลินไปกับพุทโธดีกว่ามันเพลินไปกับ อำนาจของความหลงราคะตัณหาหลงหยินดีหลงกยายนร้ยถบสิ่งที่ดีๆก็ยนดีเพลินใช่ไเพลินไปแล้วก็เพลอแล้วอ่ยึดผูกพันมากขึ้นหละเพลินไปแล้วก็เพลอแล้วยึดผูกพันมากขึ้นหละทำไมมถึงยึดผูกพันทิ้งมากขึ้นเพราะสิ่งนี้นสิ่งนั้นถูกจริด จ, จิตใจถูกอัธยาศัยของตัณ ห, หาในหัวใจ ยืดของมันมันจะไม่ถูกนยืดของมันมันก็ยืดยาวมันก็ยิ่งพองเข้าไปตัวม well voilà ันก็ย wh ิ่งโตเข้าไปมันได้อาหารที่ดีๆตัวมันก็ยิ่งพองเข้าไปมันก็ยิ่งโตเข้าไปรกราเข้ามายิ่งเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นมันเข้าในหัวใจของเรายินดีประเดี๋ยวก็ด้าเดี๋ยทุกใจตามายินร้ายประเดี๋ยวก็ดาวเดี๋ยทุกใจตามมาเคลืนมีความทุกข์ ทุกพระราคานี่แหละมีความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้พระดยานันงสแสดงไว้ในอนัตต์ในอาทิตตะปริยายาสูตรนี่ทันเทียบกับไฟอาทิตตะแปลว่าไฟตาเป็นไฟรูปเป็นไฟหูเป็นไฟเสียงเป็นไฟจมูกเป็นไฟกลิ่นเป็นไฟตาหูจมูกลิ้นนะลิ้นเป็นไฟรถเป็นไฟ กลายเป็นไฟผัดสระเป็นไฟมันเป็นไฟเพราะราคะโทสะโมหะนีราคกินาโทสคกินาโมหะกินาท่านพูดไว้ในอธิตปริยายาสูตรทำไมท่านพิดว่าเป็นไฟเป็นไฟเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะถ้าเราปล่อยมันเป็นขึ้นโดยลำพั ง, งมัน มันจะมีไฟเราเนี่มาครอบทุกครั้งทุกปฏะะิยัตตาเห็นรูป ก, กับไฟครอบหูได้ยินเสียงกับไฟครอบหูจมูกล้มกลิ่นกับไฟครอบลิ้นทิ่มกายสัมผัสกับถูกไฟครอบราคกินาไฟคือราคค์ความกำลัดความยินดีเห็นไหมไฟอุทยานว่าไฟนะแต่พวกเราเนี่เพลินเพลินมากเป็นอาหารที่อริดอร่อยที่สุดนะด้วยเหตุที่เราไม่รู้เราไม่ค่อาใจ ผู้ที่บริผู้อาหารที่อร่อ ย, ออยนั้นก็คือตันหาในหัวใจของเรานะดูที่ยิ่งหลงไปเพลินไปกับมันนั้นที่ราคะสหกตากํากับประกอบกันไปอยู่แล้วเนะี่ยโอ้ยมันยิ่งชอบใจถูกใจมันอ้วนมันพีเพราะอาหารของมันแต่เราจะเทียบกับเหมือนกับต้นไม้ที่มันได้ปุ๋ยดีปุ๋ยดีนั่นแหละโตเอาโตเอาเจริญเอาเจริญเอาตันหาเจริญในหัวใจนะั่นะไฟเกิดขึ้นเกิด เวทนาเกิดผัสสะมันสัมผัสกันปับ๊บสัมผัสกันปั๊บเกิดไฟนี่เรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาก็าเกิดไฟเป็นไฟเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาใหม่ตัณหาใหม่เจริญงอเงยจริญถ้าจะเรียกเป็นท่านถ้าจะเรียกว่าเป็นเหตุเหตุปัจจัยเป็นท่านเป็นท่านเราก็ไล่เป็นงนแต่แท้จริงมันเกิดปุ๊บเดือนในหัวใจของเร ตาเห็นรูปปั๊บเพิบเดือนหัวใจของเราตัณหาเกิดขึ้นพร้อมเก็บพร้อมตัณหาอุปาทานก็มาพร้อมภพก็มีพร้อมชาติก็มีพร้อมพร้อมที่จะเป็นเหตุให้เกิดโศกภัตถิเทวะทุกข์ภัตทงอนัตตาอุปาญาความวิโยคความพลัดพร้าเหี่ยวแห้งระดมรมตรอมใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ตามมาเป็นพร้วเลยแหละเดี๋ยวพุทธเจ้าทสงแสดงกับพวกชดิน หนึ่งพันกับสามองค์ชดินอาจารย์สามอาจารย์เป็นพี่น้องกันอุรูเปละกสปะนาทีกสปะขยากสปะนี่ชดินชดินเขาแต่งตัวม้วยผมกล้าวผมเขาตั้งอาศพอยู่ที่ริมน้ำริมแม่น้ำขยาบูชาไฟ ทำไมพุทธเจ้าท่านจึงแสดงไฟเอาไฟมาเปรียบเทียเพราะชนดินทั้งสาพี่น้องเนี่ยบูชาไฟบูชาไฟแล้วก็อาจารย์เขาเนี่ยอาจารย์องค์ใหญ่ของเขาเนี่ยสำคัญเขาตัวเองเป็นพระอรหันต์เวลาพุทธเจ้าท่านเอาเนี่ยกษัตริเธอเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติของเธอข้อปฏิบัติเพื่อความเปลี่ยนพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จัก ข้อปฏิบัติที่ เ, อเธอทําอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อความที่จะไปเป็นพระอรหันต์พระเจ้าท่านจึงทรงแสดงอาทิตต์ปริยายยัญสูตรไฟอัญตนาภายในเป็นของร้อนอัญชนาภายนอกเป็นของร้อนอัญชนาภายในตาหูจมูกร่างกายใจอัญชนาภายนอกคก็สิ่งที่จะมาสัมผัสตาหูจมูกร่านกายใจอะไรคือรูปเสียงเป็นรูปโพธิภัณฑ์ธรรมารุง ยตนะภายในเป็นของร้อนอยตนะภายนอกเป็นของร้อนอเวลามันเกิดขึ้นมาปับ๊บมันเป็นสัมผัสนะผัสสะเป็นของร้อนเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาเวทนาเป็นของร้อนร้อนตัวไฟคือราคะร้อนตัวไฟคือตัวสะร้อนตัวไฟคือโมหะผัสสะเวทนาสัญญา สังเกตนาวิตกวิจารณ์สิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมาต่างๆกันไปหมดอันนี้คือเป็นหลักที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเป็นหลักแต่สิ่งเหล่านี้เวลามันเป็นมันเป็นที่จิตแป๊บเดี๋ยวก็ถึงกันหมดมันรวดเร็วถึงขนาดนั้นเมื่อเราคิดไว้ชักนั่นะชักเดี๋ยวมันเกิดพร้อมกันเลยชักเดี๋ยวเกิดพร้อมกันเลย แต่มันก็เป็นขั้นเป็นตอนของมันอยู่แต่ เ, เหตุที่มันเร็วนั้นแนหะชักเดียวนี่คือไฟรวมลงแล้วคือกิเลสตัณหาที่อยู่ในหัวใจความดิ้นของจิตท่านเรียกว่ากิเลสตัณหาความเยสียานของใจท่านเรียกว่าตัณหาใจมันอยากเราเอาความอยากมาพิจารณาดูก็ได้ความอยากของใจของเรามันอยากมันดิ้นรนมันเสียใน ายายาอิสเสรีเราดูกันแล้วกันแต่ถ้าอยากบาเพ็ญทำใจให้สงบอยากเป็นมัจอยากทำจใจรักษาสีในยิ่งนี่จันวาเป็นมัจอยากทำความเพียรให้จิตสงบเพื่อไม่วิ่งตามอารมณ์รูปสียงกิริย์รสพุทธะพนนี่จักวาเป็นมัจอยากให้สมาธิเกิดขึ้นมีขึ้น ใ, ในใจใเราเป็นมัจ อยากเจริญปัญญาให้ความโลภความโกโรธความหลงมันเกิดแห้งไปจากหวัวใจของเราอันนี้เป็นมากเป็นข้อปฏิบัติอันให้ทำอย่างนี้ให้ท่านให้เจริญมากแต่ถ้ามันอยากปีนเกลียวไม่อยากรักษาศีลศีล ส, สอนให้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กระพฤติผิดในกรรมแต่มันทวนศีลเลยแหละที่เรียกว่าออปีนเกลียวมันอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์ อยาพฤตผิดในการพวเขามีเขาลูกใครก็ตามอยากปีนเกลียวอยากพูดเล่นตลบขน้องอยาขคายขนาดไหนก็ตามอยากอาศัยความอยากอยากปีนเกลียวทำสิ่งเหล่านี้อยากมัวเมาอยากลองอยาบ้าอยาสุรายาเมายาบ้ายาอะไรก็ตามอยากอยากนี่เป็นตัญหาอยากแบบนี้อยากปีนเกลียว ขนมธรรมเนียมระเบียบประเพณีไม่อยากไม่อยากทําตามเขาเขียนระเบียบไม่อยากมีสิทธิ์อยากมีอภิสิทธิ์เนื้อระเบียบเนื้อกดเนื้อระเบียบเนื้ออะไรไปหมดนี่ท่านเรียกว่าอยาบยำหน้าของตั้หาปีนเกลียวกับระบบระบอบกับศีลกับธรรมกับหนทางที่พระพุทธจ้าท่านถางทางเอาไว้เพื่อไปมักเพื่อมักเพื่อผลเพื่อนิพพาน อยากปีนเกลียวงันนี่คือตั้หาดูไปที่ใจเราจะเห็นดูไปที่อื่นไม่เห็นหรอกมันเกิดพร้อมกับจิตนั่นแหละเกิดพร้อมกับจิตผู้รู้นั่นแหละกเกิดพร้อมกับตาเห็นรูปเกิดพร้องกับหู จ, จมูกเล่นกายใจมันเห็นมันสัมผัสนั่นแหละมันเกิดในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นใหมา่างไรมันมีขึ้นใหมา่างไรมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนเราไม่ไมัดไม่ปรากฏเราไม่รู้มันแหละ ว่าทุกขเกิดมาแล้วครับจิตดิบจิตดิบจิตไม่สุขจิตไม่ได้ผ่านการฝึกไม่ได้ผ่านการขัดการกล่าวการกรองฝึกฝนอบรมเพื่อรักเพื่อว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราพวกเราเชตทนั้นแหละไม่รู้จักช่องทางที่จะไปไหว้ออกไปได้ปุถุชนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้า รู้จักที่ท่านสอนตรงข้ามกับโลกเลยนะสอนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสอนไม่หนทางผู้ไม่มีผู้สอนปฏิบัติของหนทางผู้ไม่ปฏิบัติเห็นไหมพระามนั้นก็พูดรู้ที่เจ้าเนะี่ยสอนหนทางผู้ไม่มีผู้สอนปฏิบัติหนทางไม่มีผู้ปฏิบัติแสดงว่าปฏิบัติตรงกรรมตรงกันข้ามกับชาวโลกชาวโลกมันจะ ป, ปฏิบัติเพื่อสนองราคะตัณหาสารพั แต่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงกันข้ามเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อละเพื่อวาเพื่เว้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นเหตุดำเนินตามความทุกข์ของทุกทั้งนั้นแต่ปฏิบัติเพื่อทีเจ้าปฏิบัติเพื่อถอดเพื่อถอนเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกพระรยสาวกได้ยินได้ฟังยนจิตตามพระเสธรรมของพระอาบางคนก็บรรลุธรรมปุ๊บในตันนั้น บางคนก็เข้าใจข้อปฏิบัติแล้วไปดำเนินตามนั้นไม่นานก็ได้มันรู้ธรรมมันรู้ธรรมก็คือจิตมันเข้าถึงกระแสของธรรมที่พระพทธเจาท่ทรงสอนได้ยินได้ฟังแต่จิตมันยังไม่เป็ี่ยนยังไม่ถึงมันเป็นได้ไหมที่ท่านสอนให้เราเป็นตามมันเป็นได้ไหมพูแต่ถ้าให้เราอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธุโธเนี่ยเราทําได้ไหม ดยที่เราทําได้นั่นแหละคําสอนของพระองค์นะเป็นไปได้ไม่ใช่เราฟังแล้วมันเหลือบากว่าแรงเหลือวิสัยโอ้ทุกทรมานฟังเราฟัง ก, กี่กลับเราก็เข้าใจไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อะไรไม่ได้อ่อนแรงน้อยเหนือตําใจถอยกรดโนะกรธกรกรกรกระถอยไปหากองทุกันนะถอยไปหากองทุกเป็นไปได้ดูแต่ใช่ย่าเราเราอยู่กับอา ร, รมณ์เดียวเราไม่ต้องไปดูประเด็นอื่น ทอดถอนตัณหาโนุสายอะไรแต่อะไ ร, ะไรเราไม่ต้องไปดูสิเราหน้าญาตแค่ท่านสอนให้เราอยู่กับอารมณ์เดียวเราอยู่ได้ไหมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาความภาคความเพียงเพียนพระคับประคองเข้าไปนี่งทาได้ไหมโดยเหตุที่ทาได้ทําคําสอนของพุทธเจ้าจึงเป็นไปได้เป็นไปได้ในระหว่างที่เราพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยกิเลส ต, ตัณหามันเกิดขึ้นไหมยกเว้นแต่มันเผลอนั่นแหละ เผลอทิ้งพุทโธเลยกิเลสมันแทรกเข้าไปแล้วเผลอทิ้งพุทโธกิเลสมันแทรกตราบใดที่พุทโธอยู่มันแทรกมาได้ไหมในเมื่อมันแทรกไม่ได้นั่นคือเราหยุดมันได้แล้วหยุดมันเฉยกระแสของสติของสมาธิเนี่ยสามารถตัดกระแสของตัณหาได้มันไม่เจริญเงาะเงยในหัวใจของเรามันเจริญไม่ได้เพราะจิตของเรามันเจริญได้มันชัดเจนได้ทีละขณะทีละขณะ ในเมื่อทําเจริญสติธรรมปัญญาธรรมเจริญตัณหามันก็เจริญไม่ได้เมื่อมันเจริญไม่ได้มันไปไหนนิสัยสันดานมันยังไม่อยู่ที่มันไม่อยู่ในใจนั่นแหละเพราะเผลอก็โผล่ขึ้นมาอีกเผลอก็โผล่ขึ้นมาอีกลองตาท่านจริงว่ามันเป็นธรรมะคู่แข่งขันกันในระ่างที่เราเจริญมรรคเต็มที่เนี่ยสบุไทยเหมือนกันแอบแอบมานั่นแหละพอมรรคเผลอพับมันก็สวมรอยพุ๊บ มักเพอปมักนก็สวมรอยปุ๊บอ๋อมักแข็งแกข่งขนาดไหนก็ตามมันก็แข็งแข่งในจิตดวงนี้อ่าสมุดไทยมันก็พลอยแข็งแข่งไปด้วยมันไปฉลาดไปตามนั้นด้วยเพราะมันเกิดในใจดวงเดียวกันนี้นอุบายของธรรมะละเอียดขนาดไหนอุบายของเกีเรยรติคละเอียดตามมาด้วยเพราะอะไรด้วยเหตุใดเพราะมันเกิดในจิตดวงเดียวกันนี้ ความเลวความจิตส่วนละเอียดยังมีอยู่นี้มันยังไม่หมดไปได้เราพิจารณาอย่างเงี้ยเอาเราไม่ต้องคิดอะไรมากเอาแค่พุทโธพุทโธเราทําให้อยู่ได้ไหมในเมื่อเราทําอยู่ได้ตามที่พระเจ้าวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาอยู่ได้จิตอยู่ได้ทําอย่างเงี้ยยืนเดินนั่งนอนวิตกวิจารณอยู่อยู่กับอารมณ์เดียวมีความสุขชุ่มฉ่าอยู่ในนั้นตลอดทาได้ แค่ชานชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แค่ชานที่หนึ่งชานที่สองเนี่ยเราก็มาดาริเรามาไข่ครวนเราม า, า, า, มาต่ตรองเรามาพลิกแผลงแยกแยะเยวกบพิจา ร, รณาเพื่อที่จะแยกแยะเข้าไปเพื่อจะเห็นหัวมันเน่ยหัวของตันหาสมุไทยแยกแยะเพื่อไปที่จะเห็นหัวมันได้พอที่จะแยกแยะแยกแยะขึ้นมาได้ตั้งขึ้นมาได้ ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ล้มตั้งขึ้นมาแล้วก็ล้มตั้งขึ้นมาแล้วก็ล้มเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่มีกําลังจิตไม่มีความสงบจิตแนบแน่นมั่นของจิตอิ่มจิตยังหิวอยู่เราไม่มาพิจารณาไม่ได้หรอกจิตมันหิวจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีความสงบทั้งจึงให้พุทโธสกดเพื่อจิตเริ่มสงบสงบมากสงบได้เราก็รู้เราเองก็มาพิจารณาเราพิจารณาแล้วมันชัดไหมถ้าไปจิตมันไม่ดีบไม่ดิ้น่ะ เราพิจารณาไปชัดอะไรคือเราอะไรเป็นเราอะไรของของเราสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยเยับเข้ามายับเข้ามาเย็บเข้ามาเราจะได้กำหนดจดจอดดูว่าอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยจากนั้นก็ขยับไปเรื่อยขยับไปเรืยทำไปเรื่อยมีผลเกิดขึ้นเจริญขึ้นในหัวใจมันก็มีกระเจี๊ยบกระใจมีกําลังใจเสริมเข้าไปเรื่อยเสริมเข้าไปเรื่อยเสริมก็ไปเรื่อยตันหานุใสมันก็ค่อยๆยุบย่อไปเรื่อยพอจิตได้แรงจิตได้พลัง จิตได้กระแสธรรมจิตมันก็นึกก็คิดนั่งก็นึกก็คิดยืนก็นึกก็คิดเดินก็นึกก็คิดนึกคิดไปตามกระแสของธรรมที่พระุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้นี่ถ้าเรียกว่าจิตตกกระแสจิตตกกระแสมันหมุนอยู่ในหัวใจดงนั้นคิดเรื่อยคิดเรื่อยมันก็สะสมไปเรื่อยคิดเรื่อยพิจารณาเรื่อยสะสมไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยสังสมไปเรื่อยทำลายความโกรธได้ทาลายความหลงได้ ทำลายยังได้ไม่หมดทำให้เบาบางความโลภเบาบางความโกรธเบาบางตัดยังไม่ได้ดอกถ้าหากยังไม่ทิ้งท่าทิ้งขันอันนี้มันอย่างอนาคามีอะไรละไม่ได้ความโลภราคะตัณหาเนี่ยละไม่ได้ความโกรธด้วยราคะตัณหาเนี่ยละลกไม่ได้ ถึงขั้นพระสกิตาคามีพระนาคามีละได้หมดนั่นแหะเป็นพระนาคามียังหลงอยู่กับกิริยาการยึดถือในผลปฏิบัติของตัวเองอย่างเหนียวแน่นมัน่นคงไม่รู้สึกเนือม่รู้สึกโตนะ้ยังหลงอยู่กับวิชาส่วนที่ละเอียดได้อะไรก็ยึดได้อะไรก็ ย, รกยึดกรีมจิ้มย่องในผลที่เราได้เราถึงได้อะไรก็ยึดได้อะไรก็ยึดกรีมจิ้มย่อในผลที่เราได้เราถึงท่านให้ทิ้งทั้งหมดะมนะมโนตาท่านให้ทิ้งทั้งหมด แต่ก็ต้องทำอบรมอย่างยิ่งกว่าคุณธรรมเหล่านี้จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเต็มที่เจริญขึ้นเต็มที่สิ่งเลาน้ก็สงบประงับดับไปหมดถูกถอนรากถอนโคนญาติทัศนะเกิดขึ้นรู้ขึ้ น, ร, นรู้ขึ้นเองปัจจตั้ง ถ้าเราก็ไม่เห็นอดของความทุกข์แล้วโอกาสที่เราจะมาสนใจเรื่องเหล่านี้ไม่มีติดค้างอยู่อย่างนั้นแหละเพลินไปอะไรอย่างนี้ผู้รู้ทั้งหลายท่านดูท่านดูท่านดูเห็นพวกเราที่กําลังเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นท่านรู้รู้รู้โอท่านรู้ท่านเข้าใจโอ้แต่เรายังไม่รู้เรายังไม่เข้าใจ ท่านดูท่านดูด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจท่านดูด้วยเมตตาด้วยสงสารเพราเมื่อก่อนเคยมีอยู่ในท่านท่านดูเราโอ้ยี่มันเขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจเหมือนผู้ใหญ่ดูเด็กดูด้วยเมตตาสงสารอย่างนั้น วันนี้วันอะไรน ะ, ว, นน ว, นะวันนี้วันอาทิตย์เหรอฮะอ๋อวันนี้วันอาทิตย์นะเอาและวันนี้เอาแค่นี้แหละเอาเลือกแค่นี้